Book two. Four. f a u r At t r o school. Bevet ha-sefer. s Bevet ha-sefer. s w h o r e are we? Heychan anachnu. เราอยู่ที่โรงเรียนเรากำลังเรียนหนังสือนั่นคือนักเรียน เอเลฮาทัลมิดิมเอเลฮาทัลมิดิมนั่นคือคุณครู zo ha mora zo ha ม o r a นั่นคือชั้นเรียน zo ha kita zo ha ค i t a เรากําลังทําอะไรอยู่ มาอุซิมมานนอุซิมเรากำลังเรียนหนังสืออนลมดิมอนาคุลมดิมเรากำลังเรียนภาษาอนาคตลมดิมสฟาอนาคลมดิมสฟา ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษอันนี้ลูเอังกฤษอันนี้ลูเอังกิตคุณเรียนภาษาสเปนอัตตาลูเสฟารดิตอัตาเดสาริดิตเขาเรียนภาษาเยอรมันฮูลูเมดเกอรมันิต Maori Maori <Egg ly and TV> เราเ wow ร enfin ียนภาษาฝรั่งเศสพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียนออิิิลลดด พวกเขาเรียนภาษารัสเซียเฮมลมดิมฮมลมดิมรุซิตการเรียนภาษานั้นน่าสนใจมนเมอเนียนลิลโมดซาฟตเฟตเราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆ אנחנו רוצים לה วิน אנחנו רוצים לה วิน אנשים เราอยากจะพูดกับคนอื่น אנחנו רוצים ลสะแขห์มอนชม אנחנו ริมลสะแขห์ิมอชิม